พุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆสมคำนี้นะท่านบวงเป็นคำที่เพิ่งมีปรากฏเกิดขึ้นมาไม่นานพุโทโธธัมโมสังโฆก่อนหน้านี้สามคำนี้ไม่เคยมีปรากฏอยู่ พอมีการปรากฏขึ้นของพุทธธรมมะสังฆะแล้วจึงมีการปรากฏขึ้นของสามคำนี้เมื่อไม่นานมานี้ประมาณสองพันกว่าปีมานี้เองเป็นสิ่งที่เมื่อมีคนได้ยินคำว่าพุทธโทธธัมโมสังโฆนี้แล้วจะเกิดขนลุกทราบซ่านขึ้นมาทันทีว่าโอ๊ยสามอย่างนี้มันมันยากขนาดนี้ยังจะปรากฏมีขึ้นได้แล้วในโลก การที่จะปรากฏมีพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งมีความยากมากเปรียบเหมือนกับถ้าโลกใบนี้ที่มีน้ำสามส่วนมีดินหนึ่งส่วนมีน้ำท่วมโลกใบนี้ทั้งหมดทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่เหลือเป็นพื้นดินอยู่เลยน้ำท่วมหมดทั้งใบทั้งโลกในน้ำนี้มีเต่าตัวหนึ่งตาบอด ล่วงไปร้อยปีร้อยปีจึงจะโผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งมีแอกไม้ไผ่ลอยอยู่บนผืนน้นํานี้มีลมเหนือใต้ออกตกพาดไปทางใต้ตกออกเหนือเต่าตัวนี้ที่ร้อยปีจะขึ้นหายใจสักครั้งหนึ่งโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วเอาหัวของมันสอดเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียว ในแอกนั้นมันเป็นความยากมากเป็นการกระทําที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นเวลายาวนานมากกว่าจะมีพุทธโธสักครั้งหนึ่งก็ยาวนานมากกว่าที่พุทธโธ ท, ที่ปรากฏมีขึ้นนั้นที่จะสอนธรรมะให้มีความละเอียดลึกซึ้งแผ่ไปได้กว้างไกลก็ยากมากพอมีการสอนธรรมะแผ่ไปได้กว้างไกล จะมีผู้ที่จะมาตรัสรู้ตามมีความเห็นอย่างเดียวกันก็ยากมากยากเป็นสามเท่ากว่าจะมีสามคำนี้ปรากฏขึ้นในโลกมีความยากมากบุคคลที่เขาได้ยินสามคำนี้ในสมัยแรกๆนี่ก็มีความ้าบส่านมีขนลุกมีความดีใจซึ่งสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจเห็นปานนี้ได้เกิดมีขึ้นแล้วเซลพราม เได้ยินคำว่าพุทโธนี่เขต้องถามย้ำถึงสครั้งว่ามันใช่พุทโธจริงเหรอพุทโธเนี่ยนะพุทโธแน่ใจหรือเปล่าถามย้ำสามครั้งเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งนี้มีเกิดขึ้นแล้วจริงหรือพระเจ้าปุกุสสาติได้ยินคำว่าพุทโทธธัมโมสังโขเก็บตัวอยู่สิบ้าวันใกรกลวนพิจารณาดู ว, ว่ามันใช่เหรอมันแน่หรือเปล่านี่พุทโทธธัมโมสังโขเนี่ยเกิดมีขึ้นแล้วหรอ เก็บตัวอยู่15วันคนที่เขามีความกลัวอาจจะอยู่ป่าอยู่เขามีความกลัวคนลุกสู้เกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็ระลึกถึงพุทธโทธโมสังโฆ น, นี่แหละเพื่อที่จะคลายความกลัวให้มีความมั่นใจเวลาที่มีการรบกันเกิดขึ้นจะเป็นทหารรบกันหรือว่ากองกำลังใดกองกาลังหนึ่งก็รบกัน ถ้าเจอคู่ต่อสู้แล้วบางทีมันอาจจะกลัวมีความกลัวมีความรั้นปรึงวาดวันครั้นครามเขาก็มองดูยอดธงของหัวหน้าของเขาถ้าหัวหน้ายังรบอยู่ยังสู้อยู่มองเห็นยอดธงหรือธงชัยเฉลิมพลที่เป็นขวัญกำลังใจของทหารนั้นก็ยังมีกำลังใจกันอยู่แต่ว่าหัวหน้ากองกาลังนั้ น, น, น ไม่ว่าจะเป็นการรบของเหล่าเทวดาหรือการรบของกองกําลังใดๆก็ตามที่เป็นหัวหน้าในกองกําลังนั้นๆสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีความกลัวมีความคลั่นคร้ามเพราะเป็นไปตามอํานาจของกิเลสกุราคะโทสะโมหะแต่พุทธโธธัมโมสังโฆนั้นมีความมั่นคงมีความไม่ครั่นคร้ามมีความไม่หวาดหวัน มีความไม่พรั่นปรึงอันเป็นไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะบุคคลที่มีความกลัวถูกต้องแล้วอันเกิดจากราคะโทสะโมหะที่เป็นผลของผัตตาที่มากระทบเวลาเขาระลึกถึงพุทธะธรรมะสังฆะแล้วที่มีความมั่นคงจากสิ่งที่มากระทบคือกิเลสต่างๆเหล่านั้นแล้วจะมีความมั่นใจเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกถึงได้ที่พึ่งที่ระลึกถึงคือพุทโธธรมโมสังโข น, นั้นถ้าเปรียบเทียบกับที่พึ่งเราอาจจะคิดว่าถ้าน้ําท่วมเกิดขึ้นมีความกลัวเกิดจากน้ําท่วมเราจะไปพึ่งต้นไม้แล่เกาะปีนขึ้นพถ้าน้ํามันท่วมขึ้นสูงแต่ต้นไม้ก็พึ่งไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต้องไปพึ่งภูเขาแต่ปีนขึ้นภูเขาน้ําท่วมไม่ถึงและถ้าเป็นดินไหว มีความกลัวเกิดขึ้นจะพึ่งภูเขาให้หายความกลัวภูเขาก็แตกทำลายตรงนั้นนั่นเองแตกทำลายแล้วเราก็พึ่งไม่ได้ล่ะนั่นเป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมท่านฟังบุคคลที่มีความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอันเป็นผลของราคาโทสะโมหะเนี่ยถ้าไปพึ่งภูเขาต้นไม้ป่าไม้เจดียหรือว่าสวนศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ อย่างใดอย่างหนึ่งนี่นั่นจะไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งิันสูงสุดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาช น, นะกิเลสคือราคะโทสะโมหะอันเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของความกลัวที่เกิดจากผัสสะ ต, ต่างๆที่มากระทบไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่พุทธโธธัมโมสังโคนี่แหละเป็นที่พึ่งอันเกษม เป็นที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ ส, สี่ด้วยปัญญาชัดเจนนั่นแหละจะทำความกเกษมทำความหวาดวันพรั่นพรึงครั่นครามที่จะเกิดจากราคาโทสะโมหะเวลามีอะไรมากระทบจะเกิดราคะโทสะโมหะ ถ้าไม่มีความกลัวครั่นครามมันจะไม่เกิดเพราะรู้อริยสัจสีด้วยปัญญาทาไมถึงรู้ได้ก็มีพระบุตรพระธรรมพระสงค์นี่แหละเป็นตีพึ่งพึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ยึดแต่ให้เป็นที่เกาะเพื่อีจะข้ามไปข้ามกระแสของตัณหาต่อสู้ฝ่าฟันกับเจ้ากิเลสเบิดเจ้าอาวิชชานั้นออกโดยอำนาจของธรรมะอันพระผู้มีพระภาค ประกาศไว้ดีแล้วด้วยอำนาจของการปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีด้วยพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมธัมโมคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วสังโฆ ค, คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดการพึ่งการเกาะตรงนี้ไม่ใช่ความยึดถือแต่การพึ่งการเกาะตรงนี้เพื่อที่จะคลายความยึดถือยึดถือในอะไรยึดถือในต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าทะเลยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสยึดถือในความคิดนึกยึดถือในความเป็นตัวตน ยึดถือในขันห้าเนี่ยแหละที่มันทำไม่ทุกข์แต่เรามีความยึดถือในขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วความยึดถือจะไม่เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์มีความทุกข์อยู่ที่ไหนความกลัวมันตามไปได้มันแทรกแซะชอนใช้ไปได้หมดอยู่ตรงไหนอยู่ในซอกหลืบของภูเขาคิดว่าจะไปหลบภัยอันตรายต่างๆความกลัวนี่มันยังตามแทรกไปได้ อยู่กลางมหาสมุทรคิดว่าไม่มีใครจะตามไปได้แล้วมันก็ยังแทรกไปได้ลอยขึ้นไปบนอากาศคิดว่าไม่มีใครจะตามขึ้นไปทําอันตรายทําความกลัวต่างๆให้เกิดขึ้นได้มันยังตามไปได้ด้วยความยึดถือเราไปที่ไหนมันตามไปที่นั่นตายจากชาตินี้ไปคิดว่าไปเกิดในชาติหน้ามันจะดีขึ้นประเสริฐขึ้นมันก็ยังตามไปที่นั่นถ้ามันยังมีความยึดถืออยู่มันตามไปทุกที่ การที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพื่อให้คลายความยึดถือเกาะให้ดีลำบุญฟังเ ก, กาะให้ดีคําว่าเกาะนี้ไม่ใช่ยึดแต่เกาะนี้คือสารณะสารณะคือที่เกาะสารณะคือที่พึ่งสารณะคือที่ระลึกถึงที่เกาะที่พึ่งที่คิดถึงที่ระลึกถึงคือสาารณะเราใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีความมั่นคงมั่นคงยิ่งกว่าภูเขา ที่เป็นผู้ภาตั้งแท่งมั่นคงจากความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความมั่นคงในระดับนี้เราพึ่งได้ความมั่นคงในระดับนี้เราใชใ้เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาได้เป็นที่ให้เกิดความมั่นใจพึ่งได้ไม่ใช่ใยึดเอาไว้เวลายึดนี่มันจะามาเป็นของตัวเองเมื่อไรที่เรายึดเป็นของตัวเราเองเราจะมีความทุกข์แต่ให้พึ่งให้ถูก ไม่ใช่ภาระที่เราจะต้องมาแบกเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะขวนขวายเอามาเข้าเป็นของตัวเองเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราแบกรับภาระพระเจาา้าประสงค์รับภาระพระศาสนาอันนี้ก็ไม่ใช่เรียกภาระหรอกท่านาู้ฟังอันนี้เขาใหญ่ไม่ถูกหรือถ้าเราคิดว่าเรายดึดพระรพุทธพระธรรมระสงค์ยึดเอามาเป็นที่เบื้งอันนี้ก็ใช้ศัพด์ไม่ถูกเพราะว่ายดึดเอามาเป็นของตัวเองแต่ถ้าพึ่ง ก็ให้ระลึกถึงเฉยๆก็ให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่เกาะที่จับให้ดีไม่ให้มันไหลไปตามกระแสแต่ถ้าเรายึดเอามาเป็นของตัวเองเมื่อไหร่แต่ไว่ได้มีใครเขาพูดไม่ดีกับพระเจ้าพระสงฆ์บ้างมีข่าวไม่ดีออกมาหรือว่าเอารูปพระพุทธเจ้าที่เขาสมมุติกันขึ้นมานี่เอาไปตั้งอยู่ในที่ไม่เหมาะสมถู ก, ถ ก, ถกทุบทําลายบ้างเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้างเป็นของแต่งบ้านบ้าง เราก็จะมีความจีดมีความหวาดหวัน่นมีความไม่พอใจอันเป็นผลของอะไรเป็นผลของราคะโทสะโมหะเอาคิดว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะคลายราคะโทสะโมหะแต่ไหนกลับมีพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วเอ๊ะกลับมีความกลัวความไม่พอใจบ้างที่เกิดจากราคะโทสะโมหะอยู่แสดงว่ายังไม่เข้าใจ แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรเลยคนที่ไม่มีที่พึ่งที่เกาะที่จับอะไรเลยจะไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษทำชั่วทำบาปทำผิดได้ทุกอย่างเชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีตายไปแล้วก็จบจบกันไปเกิดไม่มีพบหน้าไม่มีอันนี้เขาสามารถทำความไม่ดีได้ทุกอย่างเพราะความที่ไม่มีที่พึ่งที่รุนรึถึงเลยแต่ถ้าเรายังมีที่พึ่ง ที่เลึกถึงเป็นภูเขาบ้างเป็นต้นไม้บ้างเป็นพระเครื่องบ้างเป็นรูปปั้นที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่เป็นภูเขาต้นไม้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ยังดีกว่าไม่มีที่พึ่งเลยแต่สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเราจะไปพึ่งนั้นเป็นรูปปั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสวนเป็นต้นไม้เป็นสารเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็ยังสามารถแตกหักพังทําลายไปได้ ถ้ามันมีเหตุการให้เกิดความแตกหักพังทำลายเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เรียกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนี่ที่เป็นที่พึ่งอันเกษมนั้นคืออะไรพุทโธธรรมฝังแล ว, ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพุทโธถ้าเราคิดว่ามีอยู่ในรูปปั้นที่ทำจากปูนหิน ทำจากวัสดุโลหะมีทองเหลืองบ้างมีทองคําบ้างคี่ว่าพุโทโธจะอยู่ในนั้นนั่นไม่ใช่พุโทโธจำฝังเขาอาจจะทําสิ่งที่เป็นลักษณะนี้มาอาจจะตั้งไว้หน้าหิ้งพระอาจจะทําเป็นรูปที่ห้อยคอไว้เอเพื่อให้เราระลึกถึงพุโทโธอันนี้ก็อาจจะได้อยู่แต่สิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่พุโทโธหรอกเพราะว่าแม้แต่ตัวของพระพุทธเจ้าตัวเป็นเป็นของสมณโคดมเนี่ย จับต้องได้อันนั้นก็ยังเป็นแค่ธาตุสีดินน้ำไฟลมยังไม่ใช่พุทธโธแต่จิตที่เป็นพุทธะพุทธโธมีความรู้ความเข้าใจในทุกเรื่องทุกอย่างเป็นสัพพัญยูจิตนั้นละ่ะคือพุทธโธจิตที่เป็นพุทธโธแบบนี้ของพระพุทธเจ้านั่นคือพุทธโธจิตของใครสักคนใดคนหนึ่งที่มารู้อริยสัจสีได้ความรู้ ความตื่นความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากอาวิชชาที่มันเปิดออกมีวิชาเกิดขึ้นแทนความรู้แจ่มแจ้งในอริยะ ส, ะสัจสนั่นแหละคือพุทโธจีตของท่านบุฟังเองถ้ามีความรู้แจ่มแจ้งในอริยะ ส, ะสัจสนั่นกืจิตที่เป็นพุทโธ น, นั่นเองมีความรู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความกลัว ตื่นจากสิ่งที่ปกปิดคืออวิชาเปิดขึ้นด้วยอํานาจของวิชาวิชานี้มาจากไหนก็มาจากธรรมโมนั่นเองธรรมโมคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วถ้าเขาจะทํารูปใดรูปหนึ่งและเป็นลักษณะคำภีร์ขึ้นมาแต่คิดว่าธรรมโมจะอยู่ในนั้นนั่นก็ไม่ใช่ธรรมโมแต่ตมุฟังแต่จะทําให้เราระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ แต่สิ่งนั้นก็ยังเป็นหนังสืออยู่ดีมันก็ไม่ใช่ธรรมโมหรือความรู้ความเรียนอย่างใ น, นอย่างหนึ่งที่เรารู้มาเรียนมาจากในพระไตรปิฎกหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอามาเก็บไว้เป็นความจําอยู่ในหัวของเราความจําที่เราทรงจําอยู่ในความจําในหัวสมองของเราเราลึกได้คิดถึงได้จําได้อันนั้นก็ยังไม่เรียกธรรมโมหรอกธรรมบังเพราะว่าอันนั้นมันเรียกว่าความจำไม่ใ่เรียกว่าความรู้ไม่ใ่ ความจำความรู้นั่เป็นส่วนของขันห้านะเป็นความทุกข์ด้วยซ้าแต่ธรรมโมที่เป็นไปอยู่ในส่วนของมรรคที่เป็นไปเพื่อที่จะรื้อถอนความยึดถือรื้อถอนอวิชากาจัดกิเลสตัณหาได้เหมือนต้องเข้าสู่ใจใจิตใจที่มีความรู้ตามธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนั่นจึงเป็นธรรมโมเกิดขึ้ น, นไหนไหนในใจของเราตามอะไรตามธรรมะที่พระพุทธเจ้า ประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือธรรมโมเวลาที่เราเอาธรรมะมาทรงไว้ในใจนั่นชื่อว่าคุณมีการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติเนี่ยคือสังโคเดีบางคนคิดว่าเอาคนมาโค่นผมออกเอาผ้าเหลืองมาคลุมตัวไว้ถือบาทด้วยจะได้ดู ง, งามๆนิดนึงเราบอกนี่เรียกว่าสทรงแต่นั่นก็อาจจะทําให้เราระลึกถึงทรงได้อยู่แต่ทรงนั้นคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอน ปฏิบัติดีในมือฝังการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะคือสังโคหรือบางทีเราเจอพระชาปพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยวัตรงดงามดูแล้วน่าเลื่อมใสนั่นก็เป็นการปฏิบัติของท่านเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านยังไม่ใช่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังโคของเรา แต่เมื่อไรที่เราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาส่งไว้ในใจไม่ใช่แค่ฟังผ่านทางหูซ้ายเดี๋ยวสายสายหน่อยมันก็ทะลุออกทางหูขวาบอกว่าอย่ากโกรธอย่าคิดไม่ดีอย่าพูดจาเสียแทงกันจําได้อยู่ตอนเช้าพอตอนสายเท่านั้นลืมไปแล้วอันนี้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาและยังไม่เรียกสังโคเพราะว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนนี้ของพระพุทธเจ้านี่ ก็บปิบัติดีกันจริงๆถ้าเราทำความดีเอาธรรมะเข้าสู่ใจฟังแล้วเก็บไว้ได้ด้วยในสมองเก็บไว้ได้ด้วยในสมองไม่ทะลุออกผ่านหูซ้ายเก็บไว้ในสมองในความทรงจำจำธรรมะหมดได้หมดหนึ่งได้แม้เรื่องศีลก็ตามเอาศีลนั้นมาทำให้เป็นความเป็นปกติในชีวิตของเราผ่านเข้าสู่ใจออกทางกายออกทางวาจาเป็นศีลเป็นความปกติดีแล้ว อย่างที่คนอื่นๆในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนี้เขาปฏิบัติตามกันหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนี้มีมาตรฐานในทมูฟังคุณจะมาเข้าร่วมกับหมู่ที่ปฏิบัติดีได้ตัวเราเองก็ต้องปฏิบัติดีด้วยปฏิบัติดีอย่างน้อยๆที่สุดที่ต้องมีความดีความงามเกิดขึ้นในใจนั้นก็ต้องผ่านออกมาทางกายทางวาจาที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบ ไม่ประพฤติผิดในการมเป็นผู้ที่เรียกว่ามีมาตรฐานในระดับน้อยที่สุดละที่จะเข้าร่วมในหมู่นี้ได้ผู้ที่มีมาตรฐานที่น้อยที่สุดที่เข้าร่วมในหมู่นี้ได้เป็นผู้ที่เรียกว่าถึงกระแสะแล้วมาสู่ในกระแสะเส้นทางเดียวกันเส้นทางกระแสะนี้ก็คือทางเริยวาตามอริยมรรคมี่องแปดพุทโธธัมโมสังโฆก็ทําให้เกิดการปฏิบัติ ตามอริยมรตมีองค์แเกิดการปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แเป็นไปตามทางทางนี้กระแสนี้ไปสู่นิพพานในฝว่งไปสู่ทางที่จะคลายความยึดถือไม่ยึดถือเอาไว้เป็นทางที่จะทวนกระแสของเจ้าตัณหาทวนกระแสของเจ้ากิเลสเวลาทวนกระแสนี่บางทีมันก็มีความโลดโผนบ้างบางทีมันก็มีความโชคโชนบ้างตามธรรมดาละ มีลมพัดมีเครื่องขวางมันถึงจะขึ้นได้ไปได้คนเราก็ต้องมีอุปสรรคเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องขวางเพื่อให้เวลาที่เราผ่านขึ้นไปแล้วจิตใจเราสูงขึ้นเราจะผ่านขึ้นไปทะลุไปสูงขึ้นไปได้ก็ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหะเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้กําลังใจเวลาเราหมดกําลังใจท่านผู้ฟังทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะท้อแท้มันอาจจะเสียใจเศร้าใจ อาจจะมีความกลัวผสมอยู่ด้วยที่เป็นไปนตามอำนาจของราฆาโทสามโมหานี่แหละให้ระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆเเพราะว่าสามสิ่งนี้เราก็เจอมาแล้วเหมือนกันผ่านต่อสู้กับเจ้ากิเลสผ่านต่อสู้กับเจ้าอาวิชชามันคอยมาปิดบังครอบงมกลัวบ้างเสียใจบ้างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ผ่านมาแล้ว ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วต่อสู้ฟาฟันอวัยว ะ, วะต่างๆแขนขาเนื้อหัวใจก็ควักออกให้ได้สละชีวิตก็สละให้ได้เพื่อที่จะรักษาธรรมะเพื่อที่จะรักษาการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสเราระลึกถึงพุโทโธธรามโมสังโกเป็นกาลังใจเป็นที่พึ่งที่รถึง การจะมาระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังกูนี้เดี๋ยวไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่หิ่งพระไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกหรือไม่ได้อยู่ที่ภิกษุภิกษุอาจจะมีก็ได้แต่ก็เป็นพุทโธธรรมโมสังโูของท่านอยู่ในใจของท่านแต่การที่เราจะมีพุทโธธรรมโมสังโค อ, อยู่ในใจของเราคือการที่เมื่อเราเระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ตามอ่านหนังสือก็ตาม ทรงไว้ในหัวสมองจำได้แล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่ใจการที่เราเอาธรรมะที่เป็นธรรมโมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เอามาสรงไว้เข้าสู่ในใจการที่เราเอามาปฏิบัติในใจนั่นคือสังโฆละเป็นหมู่เดียวกันละเพราะว่าเอาสิ่งที่เป็นธรรมะมาเข้าสู่ในใจใจนี้นั่นก็ออกมาเป็นผลทางกายทางบาจาจะทำงานในบ้านทำงานในป่า ทำงานในออฟฟิศที่ทำงานเป็นนักเรียนหรือไม่ได้ทำอาชีพใดๆอยู่บ้านเฉยๆก็ตามใจใจ ท, ที่ทรงธรรมะไว้ในใจนั้ น, นก็เป็นการปฏิบัติ ด, ดีเป็นการปฏิบัติชอบเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนบุคคลที่เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพุท ธ, ธะแต่เร า, เาธรรมะนะมาทรงไว้ในใจเป็นหมู่เดียวกันกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว เด็นสังโคแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งความรู้ความเข้าใจความตื่นขึ้นนี่แหละคือพุทโธมันตื่นขึ้นเป็นลำดับลำดับทันบุฟังบางคนฟังธรรมะมาเรื่อยๆฟังมาหเดือนบ้างปีหนึ่งบ้างฟังไปแล้วเกิดความแจมแจ้งนะแจมแจ้งแจมชัดนี่คือมันตื่นขึ้นมาาระลึกถึงว่าโอ้ชีวิตฉันผ่านมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น โอ้ต่อไปนี้ฉันจะทําอย่างนี้อย่างนี้ให้มันดีขึ้นให้มันประเสริฐขึ้นความดีความประเสริฐที่เรารู้สึกขึ้นได้นั้นคือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นแล้วตรงนี้แหละคือพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครรู้ใครตื่นใครเบริกบ้านก็ตัวเรานั่นละ่ะตื่นขึ้นรู้ขึ้นเบิกบานขึ้นยังไม่ตื่นก็ตื่นได้แล้วยังไม่ลุกก็ลุกได้แล้วให้เป็นพุทโทเธเถอะ อยู่ในไหนอยู่ในใจของเรามาจากอะไรมาจากการปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับใครเหมือนกับมูที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเป็นสังโค น, นั้นทำไมถึงจะปฏิบัติได้ก็เพราะว่าได้ฟังคำสอนที่ประกาศไว้ดีแล้วคำสอนนั้นคือธรมโมใครประกาศเอาไว้สมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ครั้งแรกที่ปาอีสีปตนะ เมื่อฤกษ์ไตรวันที่นั่นท่านฟังที่นั่นมีพุทโธธรรมโมสังโฆเกิดขึ้นรั้งแรกที่นั่นเกิดขึ้นแล้วนะโอ้โหมันวันไวไปทั่วโลกธาตุนี่เลยวันไวสั่นสะท้านสะเทือ น, อนจนกระทั่งถึงนรกถึงสวรรค์เทวดาต่างๆนี่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นกันไปหมดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่ไม่ใช่วันไวหวาดกลัวพระอํานาจของ กิเลสปัญหาแต่ซันวันไหวสถานสะเทือนไปทั่วนั้นเพราะความยิ่งใหญ่เพราะความสําคัญเพราะความเหนือชั้นของพุทโธธรรมโมสังโฆเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ความสําคัญตรงนี้ได้เอเราก็สวดทุกวันนะทั้งสมาสมบุตโธปกวาน่สวาฆาโตปกวตาธรโมนี่บางคนสวดทุกวันวันละสองรอบเช้าเย็นด้วยซ้ํา สมาทานไตรสระนคมกันกี่รอบแล้วบางคนไปวัดวันพระจะทาทุกวันพระเลยก่อนทําพิธีกรรมอะไรกับพุทธังสระนังกชามิเราจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ความสำคัญของพุทธโทรธธรรมโมสมนทิได้เอาเข้าสู่ใจนะบูฟังเอาเข้าสู่ใจไม่ใช่อยู่ที่ปากอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่หนังสือสวดมนต์ไม่ใช่อยู่ที่พระพุทธ ร, รูปแต่จะสร้างหรือจะทาลาย น, นั้นไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้เราเข้าถึงพุโทโธธรมโมสังโฆได้การที่เราจะเอาธรรมะเข้าสู่ใจนั้นได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราใจของเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไหมใจของเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเหมือนหมู่ที่เขาทำกันไหมถ้าเราเอาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นสวากขาโตเข้าสู่ในใจเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็สุปฏิปันโนเราจะมีความรู้เลยมีพุทธโธเกิดขึ้นเราจะถึงความมั่นใจความลงใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกายไว้ดีแล้วคือเป็นสวักขาตะพระสงค์เว็นสุปฏิปันนะคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติตีแล้วเป็นพุทธโธ ทำโมสังโคอยู่ในใจของเราทําให้มันถึงได้มาฟังเอาชาตินี้แหละย่าขนาดนี้เราอย่างได้แล้วกว่าจะโตมาขนาดนี้แม่นี่พ่อนี่ประคบประ ง, งมด้วยความเอ็นดูอย่างยิ่งโตขึ้นมาได้มีข้าวกินมีน้ําดื่มโตขึ้นมาแล้วโดวยความลําบากยากเย็นผ่านประสบการณ์เฉียด ต, ต่างๆบ้างแล้วจะาตายฟรี แต่บางคนนี้เขาตายแทนกันได้ด้วยอะไรด้วยความรักที่มีในสิ่งสิ่งนั้นแต่ทหารตายแทนเจ้านายได้โดยคุณธรรมคือความซื่อสัตย์ความรักในเจ้านายคนรักบางทีก็ตายแทนกันได้ด้วยอำนาจของราคะด้วยอำนาจของโมหะคนรักบางคนลูกศิษย์บางคนก็ตายแทนครูบาอาจารย์ได้ลูกบางคนก็ตายแทนพ่อแม่ได้พ่อแม่บางคนก็ตายแทนลูกได้ การตายแทนนั้นก็ด้วยอำนาจของความรักมีราคาโทสะโมหะเป็นต้นราคาโทสะโมหะมันทำให้เราตายการตายตรงนั้นอาจจะดีก็ได้เป็นเกียรติยศเป็นชื่อเสียงที่เขาจารึกเอาไว้บันทึกเอาไว้เป็นเกียรติเป็นประวัติเอาไว้แต่การตายตรงนั้นมันก็ยังไม่กเกษมแต่ถ้าการตายของเราตายแล้วมันจะทำให้กิเลสคือราคาโทสะโมหะมันตายไปด้วย าการตายแทนอย่างนี้มันดึงจะดีสิ่งที่จะทำให้ราคาโทสะโมหะ ม, มันตายไปได้นั่นคือพุทธโทตมโมสังโกเราตายแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยพระพุทธเาบอกไว้ตะบูฟังใน้าบูว่าเราจะตายจะตายแล้วมันจะรู้อริยสัจสี่เนี่ถูกเข้าเสียบด้วยหอกวันละ300้อยเล่มเป็นเวลาร้อยปีหลังจากนั้นตายด้วย แต่ก่อนตายได้รู้อริยสัจสีแน่นอ น, นก็ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าการตายนั้นไม่ใช่เป็นการตายด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะแต่เป็นการตายเพื่อความรู้ในอริย ส, สัจรีให้ไกลจากราคะโทสะโมหะนั่นเองเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ท่านผู้ฟังเราได้รับพรมาแล้วพรนี้คือความตายแน่นอนเราเกิดมาแน่นอนพอรอันหนึ่งที่เรารับมาด้วยคือความตาย ไหนๆมันจะตายแล้วชาตินี้ให้กิเลสมันตายไปด้วยเราจะทำให้กิเลสราคาโทสะโมหะออกไปไกลาจากใจของเราเราจะไม่ไปตามกระแสของมันได้เราเกาะให้ดีเราพึ่งให้ถูกเราระลึกถึงให้อบภูเขาต้นไม้ป่าศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลใดๆนั่นจะไม่ใช่ที่พึ่งองินกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งเงนอุดมแต่บุคคลใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสี่ด้วยปัญญาชัดเจนคือเห็นทุกเห็นเหตุเป็นเรื่องให้เกิดขึ้นของทุกเห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกและเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดอันประเสรศิฐซึ่งเป็นเรื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกนั่นแหละคือที่พึ่งกันกเกษมนั่นคือที่พึ่งกันสูงสุดผู้ใดที่เอาที่พึ่งนี้แล้ว ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้โดยแต่เราจะมีความมั่นใจลงใจเชื่อใจเลยว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ไกลจากกิเ ล, ลสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจริงๆคือเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธ佛เราจะมีความเข้าใจมั่นใจเชื่อใจลงใจเลยว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ว นั่นคือสวากขาโตภควตาตโมเราจะมีความมั่นใจเลยว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆนั่นคือสุปฏิปันโนภคว โ, โตสาวะกสังโขให้ถึงความมั่นใจจะิท่านผู้ฟังเราเกิดมาชาติหนึ่งในครั้งนี้แล้วมีสาสนาเป็นที่พึ่งอยู่แล้วให้เข้าถึงใจท่านผู้ฟังให้ใจของเราเป็นอย่างนี้เราจะพ้นไปจากทุกได สมัยนี้นะท่านผู้ฝังพุทธ ท, ที่เป็นตัวพระพุทธเจ้าจริงๆที่จะมาคอยบอกสอนเราจำจีช้ชจำชัยตอบคำถามนั่นนี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วธรรมโมคือคําสอนจากพระโอษฐ์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมันก็เริ่มสูญหายไปแล้วมีในพระสูตรตรงนั้นตรงนี้ที่เป็นหลักฐานก็ยังมีอยู่แต่สูญหายไปก็มาก สังโคที่เป็นอักรสาวแปดสิบรูปมีความรู้ความสามารถมากท่านเหล่านั้นก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่พิษุรุ่นน้องๆความสามารถก็มีบ้างก็ยังมีอยู่หรืออยู่แค่นี้แล้วช่องนี้มันค่อยเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆทั้งบุฟังโอกาสยังพอมีอยู่ที่เราจะทำราคาโะโทสาโมหะให้สิ้นไปได้ ที่เราจะรู้เข้าสู่ช่องไปตามทางที่จะใหถึงความเย็นได้ช่องทางนี้ยังมีอยู่เล็กลงเรื่อยๆจืดจางลงไปเรื่อยๆแยังพอมีอยู่ที่จะทำให้เรานั้นสามารถเดินตามไปได้ช่องทางยังมีอยู่แสงสว่างยังมีอยู่ขอให้เราทำเถอะให้เราปฏิบัติเถอะให้มีธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ เหมือนกับหมูคือสงที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแล้วเราจะเกิดมีพุโทโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบานขึ้นในใจของเราข้าพเจ้าพระมาหาภัยบูรณภิพุโนเจ้ก ว, วัดปาดอนหายโศจริญพกบาน